การรับเงินและทองพระรับเงินทองได้หรือไม่พระพิสุในพระพุทธศาสนารับเงินทองไม่ได้ถึงจะใช้ให้ผู้อื่นคือวัยวัจกรรับแทนก็ไม่ได้โดยที่สุดยินดีเงินทองที่คนอื่นคือวัยวัจกรเก็บเอาไว้ให้ หรือที่เขาถวายวางไว้ใกล้ๆก็ไม่ได้หรือยินดีเงินทองที่อุบาสกอุบาสิกาผู้มีศรัทธานำเงินทองมาถวายโดยฝากธนาคารไว้ให้แต่มีชื่อพระพิสุผู้เป็นเจ้าของบัญชีอยู่ก็ไม่ได้เป็นอาบัตินิสกียะปาจิตตีทั้งหมดสำหรับสา ม, มัญเนนก็ไม่ควรเหมือนกัน พราะผิดสิกขาบทข้อที่สิบที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ซึ่งเป็นผู้ควรแก่การลงทันกรรมตามที่กล่าวไว้ในมหาขันธกะการรับเงินทองของพระพิสุในปัจจุบันนี้เป็นปัญหาที่ยังไม่ได้รับการแก้ไขทั้งฝ่ายบรรพชิตและขฤือหัดผู้ได้นำว่าพุทธบริษัทดูเหมือนว่า การลับเงินทองเป็นเรื่องที่ดีเป็นสิ่งที่น่ากระทำได้เหมาะสมแก่การลัสมัยนิยมถึงเรื่องนี้ก็เคยเกิดขึ้นในสมัยที่พระพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่มีเรื่องปรากฏในพระวินัยปิฎกว่าครั้งพระผู้มีพระภาคเจ้าประทับณวัดเวรุวันวิหารใกล้เมืองราชครพระอุปนันธศักยบุตร เป็นพิสุเข้าไปฉันเป็นประจำในตระกูลหนึ่งซึ่งในตระกูลนั้นจะแบ่งอาหารไว้ถวายท่านส่วนหนึ่งเสมอวันหนึ่งเขาได้เนื้อมาก็แบ่งไว้ถวายแก่ท่านส่วนที่เหลือจากการแบ่งนั้นก็ได้ทำอาหารกินกันเมื่อได้อรุณแล้วก็ตื่นขึ้นมาทำอาหารไว้ถวายท่านบังเอิญเช้านั้นเด็กในบ้านตื่นขึ้นมาแต่เชา้า ร้องอ้อนวอนอยากกินอาหารนั้นจึงให้เด็กกินเสียเมื่อได้เวลาท่านอุปนันทะก็เข้าไปฉันในตระกูลนั้นเขาก็นิมนต์ให้ท่านนั่งแล้วก็ได้เล่าเรื่องที่ตนเก็บเนื้อไว้ถวายนั้นให้ท่านฟังพร้อมทั้งบอกต่อไปอีกว่าถึงแม้ว่าไม่ได้ถวายเนื้อนั้นแต่ก็เก็บมูลค่าของเนื้อนั้นไว้มีมูลค่าหนึ่งกหาปณะนะ พระคุณเจ้าจะให้กับผมจัดหาวัตถุอะไรมาถวายขอรับส่วนท่านอุปนันทะรู้อย่างนั้นแล้วบอกให้ถวายเงินทันทีหลังจากท่านกลับไปแล้วเขาก็ได้ติเตียนโดยประการต่างๆว่าพระสมณะเชื้อสายสกยบุตรทำไมจึงรับเงินเหมือนอย่างพวกเราหนอ เมื่อพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องทรงติเตียนพระอุปนันทะอย่างรุนแรงว่าตูก่อนโมคะบุรุษการกระทําของเธอนั้นไม่เหมาะไม่สมควรไม่ใช่กิจของสมณะใช้ไม่ได้ไม่ควรทําฉะนั้นเธอจึงได้รับเงินและทองเล่าการกระทําของเธอนั้นไม่เป็นไป เพื่อความเลื่อมใสของชุมชนที่ยังไม่เลื่อมใสหรือความเลื่อมใสยิ่งขึ้นของชุมชนที่เลื่อมใสแล้วพระพุทธองค์จึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามไว้ว่าอันหนึ่งพิสุจใดรับเองก็ดีให้คนอื่นรับไว้ให้ก็ดีซึ่งทองและเงินหรือยินดีทองและเงินที่เขาเก็บไว้ให้ต้องอาบัต นิสัขียะปาจิตตีสิกขาบทเกี่ยวกับการห้ามพระพิสุสมัมมณีรับเงินและทองนี้เป็นพุทธบัญญัติที่สาธารณะแก่พระพิสุทุกรูปไม่ว่าจะอดีตอนาคตหรือปัจจุบันและเป็นสิกขาบทที่บัญญัติไว้ให้สาวกของพระองค์ได้ประพฤติปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ ปัจจุบันมีพระพิสุสามเณรจำนวนมากเข้าใจว่าธนบัตรไม่ใช่เงินเป็นกระดาษผลิตขึ้นมาเพื่อใช้แลกเปลี่ยนซื้อขายกันเพราะฉะนั้นจึงรับได้ไม่เป็นอาบัตแต่อย่างไรส่วนเวลาโยมถวายเงินก็ใส่ซองเพื่อไม่ให้ประเจิดประเจิดไม่ให้คนอื่นเห็น ทั้งไม่ให้พระเนรเห็นจำนวนเงินเดี๋ยวท่านจะคิดมากให้ท่านไปรุนกันเองที่วัดพระพิสุบางรูปท่านก็ใช้ย่ามรับบางรูปใช้มือรับแล้วแต่ความถนัดของแต่ละท่านบางรูปท่านก็รับอย่างเปิดเผยตรงไปตรงมาแบบซื่ อ, อบางรูปท่านก็รับแบบปกปิดซ่อนเร้นรับเหมือนไม่อยากได้ คือให้เด็กวัดเก็บเอาไว้ก่อนพอไปถึงวัดค่อยแจกกันแลดูไม่น่าเกียดจัดหน้าฉากให้ดูดีไว้ก่อนหลังฉากแล้วแต่กรณีเรียกว่าจัดฉากรับกรณีการใช้จ่ายเงินของพระพิสุสัมเณี น, นบางรูปในปัจจุบันนี้เมื่อขาวขึ้นรถลงเรือบไปเหนือล่องใต้จะใช้ในรูปแบบ ตัวแลกเงินซึ่งจะมีราคาใบละหบาท10บาทเป็นต้นสามารถนำไปแลกเงินจากที่ทำการไปรษณีย์ทุกแห่งทั่วประเทศได้พ่นเนนก็เอาตัวแลกเงินนี้ให้เป็นค่ารถดูแล้วก็ไม่ได้ต่างกับธนบัตรเพียงแต่เปลี่ยนรูปแบบวิธีการเท่านั้นในสิขาบทนี้ไม่ใช่แรกเงินแรกทอง เงินรูปประพันธ์ทองรูปประพันธ์กระหาปณะนะและมาสกเท่านั้นแต่ยังรวมเอาวัตถุต่างๆที่ชาวโลกใช้เป็นเงินตราสามารถให้สำเร็จการซื้อขายได้จะเป็นโลหะดินเครื่องยางกระดูกเปลือกหอยหนังมเมล็ดผลไม้ไม้แก่นข้อไม้ไผ่ใบาตาล แม้แต่กระดาษที่พิมพ์เป็นธนาบัตรใช้กันทุกวันนี้โลหะดินและเครื่องเป็นต้นที่กล่าวมาทั้งหมดจัดว่าเป็นรูปิยะเป็นอากปปิยะวัตถุเป็นวัตถุแห่งนิสสคีพระพิสุรับวัตถุเหล่านั้นต้องอาบัตปาจิตตีดังที่ท่านแสดงไว้ในอัตถกถาว่ากระหาปณ ะ, ะที่เขาทำด้วยทองก็ดี ทำด้วยเงินก็ดีกระหาปณ ะ, ะธรรมดาก็ดีชื่อว่ากระหาปณ ะ, ะมาศที่ทำด้วยแร่ทองแดงเป็นต้นชื่อว่าโลหะมาศมาศที่ทำด้วยไม้แก่นก็ดีด้วยข้อไม้ไผ่ก็ดีโดยที่สุดแม้มาศที่เขาทำด้วยใบายตาลสลักเป็นรูปก็ชื่อว่ามาศไม้มาศที่เขาทำด้วยเครื่องก็ดี ด้วยอย่างก็ดีดุลให้เกิดรูปขึ้นชื่อว่ามาศย่างท่านสงเคเอามาศทั้งหมดที่ใช้เป็นเงินตราซื้อขายในชนบทโดยที่สุดทำด้วยกระดูกบ้างทำด้วยหนังบ้างทำด้วยเมร็ดผลไม้บ้างดุลให้เป็นรูปขึ้นบ้างมิได้ดุลให้เป็นรูปบ้างวัตถุสี่อย่างคือเงิน ทองทั้งหมดมาสกทองมาสกเงินมีประเภทดังกล่าวมาทั้งหมดจัดเป็นวัตถุนิสสคีจริงอยู่วัตถุสอย่างเหล่านี้คือทองเงินกะหาปณะนะและมาสกจัดเป็นวัตถุนิสสคีจากหลักฐานที่ยกมานี้แน่นอนที่สุด เงินกระดาษที่ใช้กันทุกวันนี้พระพิสุรับไม่ได้แน่นอนถึงให้คนอื่นรับแทนก็ไม่ได้แม้ยินดีที่เขาเก็บไว้ให้ก็ไม่ได้เช่นเดียวกันเป็นอาบัตเป็นอาบัตนิสักียะปาจิตตีทั้งหมดไม่มีข้อยกเว้นใดๆเลยเมื่อเป็นอย่างนี้ทำไมพระพิสุและสัมมณ น, นยังรับเงินไม่กลัวผิดวินัยหรือ สาเหตุพระรับเงินรับเพราะเกงใจโยมคือกลัวโยมจะเสียใจกลัวศรัทธาโยมตกอุตส่าห์ตั้งใจทำบุญก็ควรจะได้ถวายด้วยมือตัวเองเช่นโยมเอาเงินใส่ซองมาใส่บาทเป็นต้นจำใจรับเมื่อรับมาแล้วก็สละทิ้งในถ้ำกลางสงรับเพราะต้องการทำประโยชน์ คือเอามาทำบุญต่อไม่ได้เอามาเข้าพกเข้าหอ่อเพื่อความร่ำรวยแต่เอามาเพื่อพิมพ์หนังสือสร้างศาลาพัฒนาวัดวาอารามสนับสนุนการศึกษาพระปริยัติธรรมของพระเนนเป็นต้นรับเพราะความจําเป็นคือพระพิสุบางรูปเป็นพระที่น่าเห็นใจอย่างมากมาจากต่างถิน่น ต่างจังหวัดเข้ามาศึกษาพระปริยัติธรรมในตัวเมืองแม้มีความระอายเกรงกลัวต่อบาปในการรับเงินแต่ก็คงต้องรับเงินอยู่เพราะไม่มีทั้งญาติไม่มีทั้งโยมปปาวณาถ้าอยู่วัดที่มีพร้อมทุกอย่างก็สะดวกแต่บางวัดพระพิสุสัมมณ น, นต้องเสียค่าน้ำค่าไฟ สิ่งของที่จำเป็นต้องใช้ประจำวันเช่นสบู่ยาสีฟันผงซักฟอกน้ำยาล้างจานเป็นต้นอุปกรณ์การศึกษาเล่าเรียนเช่นสมุดปากกาดินสอยงางลบหนังสือแบบเรียนนักธรรมบารีอภิธรรมและตำรับตำลาประกอบการศึกษาอื่นๆเป็นอันมากบางครั้ง มีเหตุจำเป็นต้องเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดเช่นพ่อแม่ญาติเจ็บป่วยหรือตายการเดินทางต้องใช้เงินจะไปฟรีๆไม่ได้รายจ่ายมีมากแต่รายรับมีน้อยพระพิสุเหล่านี้ไม่ค่อยมีกิจนิมนต์เพราะติดเรียนติดสอนเวลาไม่มีเงินต้องเดือดร้อนญาติโยมทางบ้าน จัดมาให้มีความจำเป็นจริงๆรับเพราะอยากได้คือมีความต้องการอยากจะได้อยู่แล้วรับมาแล้วส่วนหนึ่งเก็บไว้ใช้อีกส่วนหนึ่งก็เอาไปฝากธนาคารไว้เวลาต้องการอะไรอยากได้อะไรก็ไปซื้อตามสะดวกสบายไม่ต้องรบกวนใครให้เสียอารมณ์ พาพิสุจน์เหล่านี้เข้ากับยุคสมัยนี้ดีมากญาติโยมสมัยนี้ต่างจากสมัยก่อนเพราะต่างคนต่างก็มีธุระการงานมากมายที่ต้องรับผิดชอบไม่ค่อยจะมีเวลามาดูแลรับใช้เอาใจใส่ว่าพระต้องการอะไรหรือขาดแคลนอะไรวิธีสะดวกและรวดเร็วทันใจที่สุดก็คือ ถวายเงินใส่ซองให้ท่านจัดซื้อจัดหาสิ่งของตามที่ต้องการเองวิธีนี้ก็สะดวกสบายดีทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายพระพิสุและฝ่ายโยมไม่ต้องรบกวนกันบ่อยๆโทษที่เกิดจากการรับเงินเมื่อพระมีเงินมากความคิดแบบอย่างสมณะวิสัยก็ค่อยๆเรือนหายไป ควคิดความอ่านเหมือนอย่างโยมก็เข้ามาแทนที่อยากจะได้อะไรก็ซื้อเห็นโยมมีอะไรก็อยากมีเหมือนกับโยมเห็นโยมสร้างบ้านสวยๆพระเห็นแล้วอยากได้ก็สร้างกุฏิสวยๆด้วยบ้านโยมติดแอร์กุฏิก็ติดแอร์ด้วยโยมมีรถเบนซ์คันหรูขับพระก็มีรถเบนซ์คันหรูด้วย โยมมีมือถือยี่ห้อไหนรุ่นไหนพระก็มีมือถือยี่ห้อนั้นรุ่นนั้นบ้างโยมมีโทรทัศน์พระรรมตู้เย็นเครื่องซักผ้าเป็นต้นพระก็มีเหมือนโยมหมดไม่ยอมน้อยหน้าโยมมีเงินฝากธนาคารพระก็มีเงินฝากธนาคารโยมเรียนจบปริญญาตรีโท เอพระก็เรียนจบปริญญาตรีโทเอกยมมียศถาบรรดาศักดิ์ทางานราชการมีเงินเดือนก็มียศถาบรรดาศักดิ์ทำงานราชการมีเงินเดือ น, น, น, เ, น, เ, อนเหมือนกับโยมทุกอย่างบางอย่างอาจจะดีกว่ายโยมเสียด้วยซ้ำเพราะมีเกียรติมีศักดิ์ศรีมากกว่าตรงที่ใครๆก็ต้องเคารพกราบไหว้บูชา รวมรับราชการเพียง60ปีเกษียณส่วนพระ80ปีจึงเกษียณหรืออาจจะต่อได้อีกวางตำแหน่งไม่มีเกษียณคือมรณะภาพจึงเกษียณเมื่อพระมีเงินมากจึงพัฒนาตัวเองอย่างรวดเร็วแบบก้าวกระโดดใช้เวลาไม่กี่ปีก็ขึ้นมาเทียบชั้นกับโยมได้อย่างน่าทึ่ง คิดว่าต่อไปในอนาคตอันใกล้นี้พระจะแสงหน้าโยมทุกทุกด้านเมื่อถึงเวลานั้นโยมต้องมาเรียนรู้กับพระยกเว้นด้านพระธรรมวินัยอย่างเดียวเท่านั้นเพราะพระเดียวนี้ส่วนหนึ่งไม่เรียนไม่ศึกษาพระธรรมวินัยไม่เห็นประโยชน์ของพระธรรมวินัยเห็นพระธรรมวินัยเป็นเรื่องโบราณเป็นประวัติศาสตร์ สาเหตุที่ความคิดความอ่านและความประพฤติของพระเปลี่ยนไปในทางเสื่อมเพราะเงินตัวเดียวแท้ๆพระรับเงินพระยินดีในเงินเงินทำให้พระเสียมามากต่อมากเมื่อสตังมีสตรีก็มาสังเกตว่าพระพิสุในปัจจุบันจะมีเรื่องอื้อเฉากับศีกาบ่อยครั้ง จนเป็นข่าวเรื่องราวใหญ่โตตามหน้าหนังสือพิมพ์เรื่องเสื่อมเสียทั้งหลายที่เกิดขึ้นกับคณะสงฆ์อยู่เป็นประจำนี้ส่วนมากมีสาเหตุมาจากพระมีเงินยินดีในเงินทองถ้าพระพิสุไม่มีเงินคงไม่เป็นเช่นนี้คงไม่ห้าวหาญไม่คึกคักอย่างนี้ เงินทองนี้มีโทษมากมายแต่ทำไมท่านเหล่านั้นจึงมองไม่เห็นโทษไม่ว่าจะรับเงินทองไว้เพื่อประโยชน์อะไรก็ไม่ได้ทั้งนั้นผิดทั้งหมดทำให้ต้องอาบัตทั้งสิ้นพระพุทธองค์ทรงตำหนิติเตียนพระพิสุผู้รับเงินทองยินดีในเงินทองถึงขั้นว่าไม่ใช่สมณะ เชื่อสายสักยบุตรเลยทีเดียวดังพระพุทธองค์ตัดกับในบ้านชื่อมณีจุรกะว่าดูก่อนในบ้านทองและเงินไม่เหมาะไม่ควรแก่สมณะเชื่อสายสักยบุตรสมณะเชื่อสายสักยบุตรไม่ยินดีทองและเงินไม่รับทองและเงินวางแก้วมณีและทอดทิ้งเสียแล้วเป็นผู้ปราศจากทองและเงิน ทองและเงินสมควรแก่ผู้ใดแม้การมคุณทั้งห้าก็สมควรแก่ผู้นั้นการมคุณทั้งห้าสมควรแก่ผู้ใดเธอพึงจำผู้นั้นไว้โดยส่วนเดียวว่ามีปกติไม่ใช่เชื้อสายพระศักยบุตรเราจะกล่าวอย่างนี้ว่าผู้ต้องการหญ้าพึงสแสวงหาญ้าผู้ต้องการไม้พึงสแสวงหาไม้ ผู้ต้องการเกวียนพึงสแสวงหาเกวียนผู้ต้องการบุรุษพึงสแสวงหาบุรุษแต่เราไม่กล่าวโดยปริยายไรๆว่าสมณะพึงยินดีพึงสแสวงหาทองและเงินเลยมีเงินทองอย่างเดียวก็เหมือนมีทุกอย่างเพราะเงินทองสามารถซื้อทุกสิ่งทุกอย่างได้พระพิสุ ยินดีเงินทองก็เท่ากับว่ายินดีในกรรมคุณห้าเครื่องผูกคือกามได้แก่รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสเงินทองเป็นเหตุหนึ่งที่ทำให้พระพิสุในพระศาสนานี้เศร้าหมองไม่ผ่องใสพระพุทธองค์จึงตัดเครื่องเศร้ามองของพระจันทร์พระอาทิตย์และสมณพราหมณ์ไว้ว่า เครื่องเศร้ามองของพระจันทร์และพระอาทิตย์สี่อย่างสิ่งที่ทำให้พระจันทร์และพระอาทิตย์เศร้ามองไม่ส่องแสงไม่สว่างไม่รุ่งเรืองมีสี่อย่างคือหนึ่งหมอกสองน้ำค้าง 3. ละอองควันสอาสุรินทราหูเครื่องเศร้าหมองของสมณพราหมณ์สี่อย่าง เครื่องเศร้าหมองที่ทำให้พระพิสุผู้สืบทอดพระพุทธศาสนาไม่สง่างามไม่ผ่องใสไม่ภัยโรดมีสี่อย่างคือหนึ่งการดื่มสุราเมรยัยสองการเสพเมถุนธรรมสการยินดีเงินทองสการเลี้ยงชีวิตโดยมิจฉาชีพพระพุทธองค์ ทรงแสดงโทษของเงินและทองไว้มากพระพิสุผู้รับเงินทองยินดีในเงินทองจะไม่สง่างามไม่ผ่องใสมีแต่จะเศร้ามองเป็นธาตุของกิเรตันหาดุดเนื้อถูกความมืดปกคลุมไว้ฉะนั้นบวชมาแล้วควรประพฤติวัดปฏิบัติธรรมแต่กลับต้องมาติดข้องอยู่กับเงินทองเหล่านี้ อันเป็นเหตุทำให้พบชาติยืดยาวต่อไปอยังไม่รู้จักจบจักสิ้นสิ่งที่มีโทษมากถ้ารู้จักใช้คือใช้เป็นใช้ถูกวิธีก็มีคุณมากเรียกว่าโทษมหันคุณอนันต์เช่นเงินทองนี้ก็ดุดเดียวกันมีโทษมากแต่ถ้ารู้จักวิธีใช้แล้ว ก็มีคุณมากมีประโยชน์มากพระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้พระภิกษุใช้กับปิยวัตถุที่เกิดจากเงินทองโดยผ่านวัยาวัจกรหรือกับปิยาการกถ้าญาติโยมเกิดศรัทธาเลื่อมใสเอาเงินทองมามอบไว้กับวัยาวัจกรแล้วสั่งว่าคุณช่วยเอาเงินทองนี้จัดหาสิ่งของที่สมควร ถวายแก่พระคุณเจ้าด้วยนะพระยินดีสิ่งของที่สมควรอันเกิดจากเงินทองนั้นได้ไม่มีโทษไม่ต้องอาบัตหรือพระต้องการอะไรก็ให้วัยยาวจักรจัดหามาให้ก็ไม่มีโทษไม่ต้องอาบัตพระพุทธองค์ตรัสว่าพิสุทั้งหลายชาวบ้านมีศรัทธาเลื่อมใส มอบเงินทองไว้ในมือกับปิยะการกสั่งว่าพวกท่านจงจัดหาของที่สมควรมาถวายแก่พระคุณเจ้าด้วยเงินทองนี้พิสุทั้งหลายเราอนุญาตให้ยินดีสิ่งของที่เป็นกับปิยะจากเงินทองนั้นแต่เราไม่ได้กล่าวไว้เลยว่าพิสุพึงยินดีพึงแสวงหาทองและเงิน โดยปริยายไรๆถ้าพระไม่รับเองไม่ให้ผู้อื่นรับเงินทองแทนและไม่ยินดีเงินทองที่ผู้อื่นเก็บไว้ให้หรือวางไว้ใกล้ๆเพียงแต่ยินดีในปัจจัยสี่คือจีวรบินทบาทเสนาสนะและยารักษาโรคตลอดสมณบริขานที่สมควร เพียงเท่านี้ก็ไม่ต้องอาบัติโดยให้วิยาวัจกรไปจัดหาสิ่งของที่เป็นกัปปิยะมาให้ตามที่ต้องการก็ไม่มีโทษอะไรโยมต้องการเอาเงินมาทําบุญควรทําอย่างไรเมื่อโยมมีศรัทธาต้องการเอาเงินมาทําบุญกับพระพิสุควรทําให้ถูกต้องตามพระวินยัย วิธีที่ถูกต้องนั้นมีสองวิธีคือ 1. โยมเขียนใบปวารณาเสร็จแล้วนำเงินเหล่านั้นไปมอบไว้กับว ย, ยาวัจกรพร้อมสั่งว่าคุณช่วยจัดหาสิ่งของที่สมควรถวายแก่พระคุณเจ้าเท่ากับจำนวนเงินนั้นแล้วนำเอาใบาปวารณามาถวายพระ ให้ท่านรับรู้รับทราบเฉพาะในใบปวารณาเท่านั้นวิธีที่หนึ่งนี้มีวิธีปฏิบัติเหมือนในเมธะ ก, กะสิกขาบทคือทายกเป็นผู้ระบุชื่อวัยาวจากรเองเพราะฉะนั้นพิสุผู้ไม่ยินดีมูลค่าเงินยินดีแต่กับปิยพันธ์สิ่งของที่สมควรจะขอกี่ครั้งก็ได้ไม่มีกำหนด แม้ตั้งพันครั้งก็ควรสองโยมนำเงินเหล่านั้นมาแล้วถามพระว่าที่วัดนี้มีวยาวัจกรไหมครับหรือพูดว่าใครเป็นวัยาวัจกรเก็บรักษาเงินเหล่านี้ถ้าวัยาวัจกรอยู่ต่อหน้าท่านจะตอบว่าคนนี้เป็นวยาวัจกรถ้าวยาวัจกรไม่ได้อยู่ต่อหน้า ท่านก็จะตอบว่าคนชื่อนี้อยู่บ้านโน้นเป็นวายาวัจกรถ้าโยมไม่ถามก่อนท่านจะบอกอ้างวายาวัจกรว่าเอาไปไว้กับคนนั้นคนนั้นเป็นวายาวัจกรอย่างนี้ไม่ได้ไม่พ้นจากอาบัติท่านควรพูดปฏิเสธว่าอัตมาไม่รับเงินหรือพระรับเงินไม่ได้ต้องอาบัติ เมื่อโยมเอาเงินเหล่านั้นไปมอบให้ว ย, ยาวัจกรและสั่งเขาให้เข้าใจเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็เข้าไปหาพระบอกว่าโยมได้บอกว ย, ยาวัจกรให้เข้าใจแล้วท่านต้องการสิ่งของที่สมควรขอจงบอกนะครับวิธีที่สองนี้มีวิธีปฏิบัติเหมือนใน ร, ราชสิกขาบทคือพระพิสุ เป็นผู้ระบุชื่อวัยยาวจากรมีกำหนดขอได้สามครั้งแต่ไม่เกินหกครั้งขอได้สามครั้งยืนได้หกครั้งถ้าจะขออย่างเดียวขอได้ไม่เกินหกครั้งตัวอย่างการใช้คำที่สมควรโยมผู้มีความต้องการเอาเงินมาทำบุญควรกล่าวคำที่สมควร ตามเมทกะสิกขาบทดังนี้กระผมขอถวายปัจจัยสี่และสิ่งของอันสมควรแก่สมณะบริโภคเป็นมูลค่าเท่านี้บาทเท่านี้สตังถ้าพระคุณเจ้าประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใดเท่ากำหนดนี้โปรดเรียกจากวัยาวจกรผู้รับมอบนั้นเทินหรือจะพูดสั้นๆว่า โยมขอถวายสิ่งของที่สมควรแก่ท่านมีมูลค่าจำนวนเท่านี้บาทถ้าท่านต้องการสิ่งใดขอให้แจ้งกับคุณคนนี้นายคนนี้นางคนนี้ตัวอย่างใบปวารณาข้าพเจ้าขอถวายปัจจัยสี่และสิ่งของอันสมควร แก่สมณะบริโภคเป็นมูลค่าเท่านี้บาทเท่านี้สตังหรือเป็นค่าน้ำไฟจีวร อ, อาหารเป็นต้นถ้าพระคุณเจ้าประสงค์สิ่งหนึ่งสิ่งใดมีมูลค่าตามกำหนดนี้โปรดเรียกจากว ย, ยายวจกรผู้รับมอบตามประสงค์เทินตัวอย่างการเอาเงินมาทำบุญ ตามในแห่งอัตกรถาถ้าโยมมาบอกกับพระว่าหนึ่งเงินจะอยู่ในมือของกัปยการกขอท่านจงใช้สอยปัจจัยทั้งหลายเถอด 2. เงินจะอยู่ในมือของคนใช้ของโยมขอท่านจงใช้สอยปัจจัยทั้งหลายเถอดสเงินจะอยู่ในมือของโยม ขอท่านจงใช้สอยปัดใจทั้งหลายเถิดโยมเพียงบอกว่าหากท่านต้องการสิ่งใดที่สมควรขอให้บอกกับบุคคลที่โยมเอาเงินฝากไว้นั้นให้เขาทำกับปิยะทำให้สมควรตามพระวินัยเถิดวิธีขอหรือทวงในเวลาที่พระจะขอสิ่งของที่ต้องการกับวายาวจักร ควรใช้คําพูดให้ถูกต้องอย่าใช้คําพูดในเชิงสั่งบังคับว่าโยมจงให้จีวรนแก่อัตมาจงให้มีดโกนจงให้มีตัดเล็บแก่อัตมาเป็นต้นหรือสั่งซื้อว่าโยมจงซื้อจีวรให้แก่อัตมาจงซื้อใบมีดโกน ล, ล่มและรองเท้าให้แก่อัตมาเป็นต้นจีวอเป็นต้น ที่พระรูปนั้นสั่งซื้อได้มาไม่ควรแก่พระผู้สั่งซื้อแต่พระรูปอื่นๆใช้ได้ควรใช้คำพูดที่สมควรว่าโยมอัตตมาต้องการจีวอนอัตมาต้องการใบมีดโกนเป็นต้นจึงจะสมควรวิธีปฏิบัติในเงินและทองตามอัธกถา สิกขาบทเกี่ยวกับการรับเงินทองมีพุทธบัญญัติว่าอันหนึ่งพิสุใดรับเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นรับก็ดีซึ่งเงินและทองหรือยินดีเงินและทองที่เขาเก็บไว้ให้ต้องอาบัตนิสักียะปาจิตตีอนหนึ่งสิกขาบทนี้บางคราวพิสุก็ต้องอาบัต ด, ด้วยลักษณะสองอย่างคือ 1>, 1. ต้องอาบัตเพราะกระทำคือเมื่อพระพิสุรับเงินทองเองก็ดีใช้ให้ผู้อื่นรับก็ดีชื่อว่าต้องอาบัตเพราะกระทำการรับและใช้ให้ผู้อื่นรับหรือยินดีเงินทองที่เขาเก็บไว้ให้ 2. ต้องอาบัตเพราะไม่กระทำการห้ามด้วยกายและวาจาได้แก่เมื่อพิสุ ยินดีด้วยจิตคือไม่ห้ามเงินและทองที่เขานํามาถวายวางไว้ข้างหน้าแล้วบอกว่าสิ่งนี้จงเป็นของท่านเรื่องการยินดีเงินและทองที่เขาเก็บไว้ให้นั้นมีคําอธิบายดังต่อไปนี้เมื่อโยมนําเงินทองมาวางไว้แล้วพูดว่านี้เป็นของพระคุณเจ้าถ้าพิสุยินดีด้วยจิต ต้องการจะรับเอาด้วยกายหรือวาจาแต่ปฏิเสธว่านี้ไม่ควรไม่เป็นอาบัติเมื่อไม่ทำการห้ามด้วยกายและวาจาเป็นผู้มีจิตบริสุทธิ์ไม่ยินดีด้วยคิดว่านี้ไม่สมควรแก่เราก็ไม่เป็นอาบัติเหมือนกันพิสุจ์ถือเอาเองหรือให้ผู้อื่นถือเอาลูปิยะที่ตกอยู่ภายในวัด หรือภายในที่อยู่ของตนด้วยคิดว่าของผู้ใดผู้นั้นจะมาเอาไปตามรัตนสิขาบทไม่เป็นอาบัติเหมือนกันความจริงบรรดาทวารทั้งสามพิสุห้ามแล้วด้วยทวานใดทวานหนึ่งย่อมเป็นอันห้ามแล้วแท้แต่ถ้าไม่ห้ามด้วยกายและวาจายินดีการรับด้วยจิต ยมต้องอาบัตก็ในทวารทั้งสองคือกายทวารและวจีทวารมีการไม่กระทาการห้ามด้วยการกล่าวห้ามหรือด้วยการยกมือห้ามนั่นแหละเป็นสมุดฐานของการต้องอาบัตเพราะไม่กระทำการห้ามที่พิสุควรกระทำด้วยกายและวาจานั่นเองแต่ชื่อว่าการต้องอาบัตทางมโนทวาร ทางใจไม่มีเลยถ้าหากคนคนเดียวกันวางเงินทองตั้งร้อยตั้งพันไว้ใกล้ๆตัวพิสุแล้วกล่าวว่านี้จงเป็นของท่านพิสุห้ามว่านี้ไม่ควรเขาพูดว่ากับผมสละถวายท่านแล้วก็หลีกไปมีคนอื่นมาที่นั้นถามว่านี้อะไรครับพิสุบอกคําที่อุบาสก และตนพูดกันถ้าเขาพูดว่าผมจะเก็บให้นะครับขอให้ท่านอาจารย์บอกที่เก็บแก่ผมพิสุพายมนั้นไปยังที่เก็บแล้วพูดว่านี้ที่เก็บแต่อย่าบอกว่าจงเก็บไว้ที่นี้อากพิยวัตถุมีทองและเงินเป็นต้นอาศัยวัตถุที่เป็นกัปปิยะตั้งอยู่ด้วยคำบอกมีประมาณเท่านี้ ปิดประตูใส่กุญแจรักษาไว้ถ้ามีอุบาสกถือเอาบาทและจีวรบางอย่างมาขายเมื่อพูดว่าท่านจะรับสิ่งนี้ไหมครับก็กล่าวว่าอุบาสกพวกเราต้องการสิ่งนี้วัตถุเห็นปานนี้เงินทองก็มีอยู่แต่ไม่มีกัปปิยะการกถ้าเขาพูดว่าผมจะเป็นกัปปิยะการกให้ ขอนิมนต์ท่านเปิดประตูให้เธอครับเปิดประตูให้แล้วบอกว่าอยู่ตรงน้นโยมและอย่าพูดว่ายมถือเอาสิ่งนี้แม้อย่างนี้อากัปปิยะวัตถกุก็อาศัยวัตถุที่เป็นกัปปิยะและอากัปปิยะตั้งอยู่เหมือนกันถ้าเขาถือเอามากเกินไปก็บอกว่า พวกเราจะไม่เอาสิ่งของของท่านจงเก็บเสียวิธีสละเงินทองพิสุรับเงินทองเป็นต้นแล้วต้องสละในถ้ำกลางสงห่มผ้าฉเฉวียงบ่าเข้าไปหาสงกับเท้าพิสุผู้มีพรรษาแก่กว่านั่งกระยองประนมมือกล่าวว่าท่านผู้เจริญ ข้าพเจ้ารับรูปียะไว้แล้วของสิ่งนี้ของข้าพเจ้าเป็นของต้องสละข้าพเจ้าสละรูปียะนี้แก่สงฆ์นิสักคียะวัตถุทุกอย่างสามารถสละในถ้ำกลางสงฆ์คณะหรือบุคคลแต่เงินทองและวัตถุสิ่งของที่ซื้อมาด้วยเงินทองพระพุทธองค์ทรงอนุญาต ให้สระใน่าำกลางส่งทั้งนี้ก็เพื่ออนุเคราะห์สงให้ได้บริโภคปัจจัยสี่ที่ได้มาจากเงินที่ทำวินัยกรรมแล้วเมื่อพิสุผู้รับเงินทองสระเงินทองในถ้ำกลางส่งแล้วก็แสดงอาบัติพิสุผู้ฉลาดผู้สามารถ พึงรับอาบัติถ้าคนทํางานวัดหรืออุบาสกเดินมาในที่นั้นพิสุก็บอกเขาว่าโยมจงรู้ของสิ่งนี้ถ้าเขาถามว่าจะให้ผมนําเงินทองนี้ไปซื้ออะไรมาให้ครับอย่าบอกว่าจงนําของสิ่งนี้หรือของสิ่งนี้มาควรบอกแต่ของที่เป็นกัปปิยะเช่นในยใสน้สานํามัน น้ำพึ่งน้ำอ้อยและเมื่อจะบอกไม่ควรบอกว่ายมจงนําในใสน้ามันน้าพึ่งน้าอ้อยมาด้วยเงินทองนี้ควรพูดคาเพียงเท่านี้ว่าสิ่งนี้สิ่งนี้น้ําพึ่งเป็นต้นสมควรแก่พระสงฆ์ถ้าเขานําเงินทองนั้นไปซื้อของที่เป็นกับปิยะมาถวาย เว้นพิสุผู้รับเงินทองเสียพิสุทั้งหมดนอกนั้นพึงแจกกันฉันได้ทุกรูปพิสุผู้รับเงินทองไม่พึงรับส่วนแบ่งปัจจัยสี่เป็นต้นที่ได้มาจากเงินทองนั้นไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งโดยที่สุดแม้ร่มเงาของกุติวิหารต้นไม้ย่อมไม่สมควรแก่พิสุ ผู้รับเงินทองนั้นแม้ปริยายไรๆที่ทรงบัญญัติเช่นนี้ก็เพื่อป้องกันพิสุผู้รับเงินทองอ้างเรศรับเงินทองมาสละท่ามกลางส่งแล้วพอยอาศัยบริโภคปัจัจสี่พร้อมกับสงด้วยถ้าอุบาสกที่เดินผ่านมานั้นไม่รู้จักซื้อสิ่งที่เป็นกัปปิยะ มีเนยใสและน้ํามันเป็นต้นแก่สง์ก็บอกเขาว่าโยมช่วยทิ้งเงินทองนั้นเสียถ้าเขาโยนทิ้งที่ใดที่หนึ่งนั้นเป็นการดีถ้าเขาไม่ทิ้งถือเอาไปเสียเองก็ไม่ต้องห้ามเขาถ้าเขาไม่ถือเอาไปและไม่ทิ้งให้หลีกไปตามความปรารถนาสงพึงสมมุติพิสุผู้ประกอบด้วยองค์ห้าคือ 1>, 1. ไม่ถึงความลำเอียงเพราะความชอบพอกัน 2. ไม่ถึงความลำเอียงเพราะความเกียจชัง 3. ไม่ถึงความลำเอียงเพราะความงมงาย 4. ไม่ถึงความลำเอียงเพราะความกลัว 5. รู้จักว่าทําอย่างไรเป็นอันทิ้งและไม่เป็นอันทิ้งให้เป็นผู้ทิ้งเงินทอง พิสุผู้ทิ้งเงินทองนั้นหลับตาแล้วไม่กำหนดหมายที่ตกของเงินทองไม่เหลียวดูดุดคูดทิ้งให้ตกไปในแม่น้ำในเหวหรือพุ่มไม้ถ้ากำหนดหมายที่ตกของเงินทองต้องอาบัตทุกกฎในเงินทองพิสุพึงรังเกียจอย่างนี้พระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตัดบอกการบริโภค ใช้สอยแก่พิสุทั้งหลายโดยปริยายโดยอ้อมการบริโภคปัจจัยที่เกิดขึ้นจากเงินทองนั้นไม่สมควรแก่พิสุผู้รับเงินทองโดยปริยายไรๆเลยการบริโภคปัจจัยที่เกิดขึ้นนี้ไม่ควรแก่พิสุผู้รับเงินทองนั้นฉันใดปัจจัยที่เกิดขึ้นเพราะการอวดอุตริมนุสธรรม ที่ไม่มีจริงก็ดีเพราะกุรทุสกรรมก็ดีการประจบขรือหัดที่ผิดต่อพระวินัยเพราะการหลอกลวงเป็นต้นก็ดีย่อมไม่ควรแก่พิสุนั้นและแก่พิสุนอื่นฉันนั้นถึงปัจจัยที่เกิดขึ้นโดยธรรมโดยสม่ำเสมอยังไม่ได้พิจารณาจะบริโภคก็ไม่ควร วิธีสละเงินทองด้วยตนเอง 1. ถ้าไม่มีส่งให้สละพิสุจะทิ้งเงินทองเสียเองก็ได้เงินทองนั้นสูญหายไปแล้วแสดงอาบัตต่อพิสุรูปใดรูปหนึ่งก็เป็นอันพ้นอาบัตบริสุทธ์ได้เหมือนกัน 2. ส, ส่งไปให้พ่อแม่พี่น้องที่อยู่ทางบ้านใช้ก็ได้ให้คนวัด หรือใครก็ได้ด้วยใจที่บริสุทธิ์ไม่หวังประ จ, จบขริหัดให้เขาชอบพอแล้วแสดงอาบัติก็เป็นอันพ้นได้การสละเงินโดยในทั้งสองนี้ไม่ได้มีมาตามในพระบาลีอัตถกถาและดีกาเหมือนอย่างวิธีสละในถ้ำกลางสงเป็นมติของผู้รู้บางท่าน วัตถุเงินทองเป็นสมบัติเครื่องปื้มใจอย่างหนึ่งช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้สอยแต่ก็มีโทษภัยอันเกิดจากเงินและทองมากมายโทษของเงินทองนั้นไม่เข้าใครออกใครทำให้สัตว์ผู้รุ่มหลงกระทำกรรมชั่วได้ทุกอย่างทำให้ลูกฆ่าพ่อพ่อฆ่าลูกก็ได้เมียฆ่าผัว ผัวฆ่าเมียก็ได้น้องฆ่าพี่พี่ฆ่าน้องก็ได้โยมฆ่าพระพระฆ่าโยมก็ได้มีเงินทองอยู่ตรงไหนวุ่นวายตรงนั้นยกเว้นบุคคลผู้สันโดษมักน้อยพอใจในสิ่งที่ตนมียินดีในสิ่งที่ตนได้เมื่อมีก็ไม่ติดเมื่อไม่มีหรือหมดไปก็ไม่เดือดร้อน ยุคสมัยนี้เป็นยุคบริโภคนิยมเป็นยุคคนบูชาเงินเห็นเงินเป็นพระเจ้าเห็นเงินมีค่ากว่าศีลธรรมกว่าความดีของคนจึงทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินทองแม้จะผิดกฎหมายบ้านเมืองผิดศีลธรรมก็ตามมือใครยาวสาวได้สาวเอา กอบโกยกกงกินเพราะหลงผิดคิดไปว่ามีเงินทองมากจะมีความสุขมากที่แท้กลับพบทุกมาให้มากกว่าเดิมหลายเท่าเงินทองทำให้เกิดทุกโทษภัยใหญ่หลวงแก่คนเหล่านั้นทั้งในชาตินี้และชาติหน้าเงินทองนี้ถึงแม้เป็นวัตถุเครื่องปื้มใจสามารถอำนวยความสะดวก แก่ผู้ใช้สอยได้ทุกอย่างก็จริงแต่ถ้าใช้ในทางที่ผิดก็เป็นเหมือนกับยาพิษซึ่งมีโทษมหันแต่ถ้ารู้จักกินรู้จักใช้เก็บเอาไว้ทาประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นมีทาบุญให้ทานเป็นต้นก็จะมีคุณอนันต์เหมือนกับยาวิเศษฉะนั้นเหมือนกันดังนั้นเรื่องเงินเงินทองทอง ถ้าเป็นคารวาสญาติโยมแล้วก็คงเห็นว่าเป็นเรื่องธรรมดาเพราะในชีวิตประจำวันของคารวาสต้องกินต้องใช้จะบินทบาทเหมือนอย่างพระก็คงไม่ได้แต่สำหรับพระแล้วเรื่องเงินทองนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาเมื่อบวชเข้ามาในพระศาสนาอันบริสุทธิ์นี้แล้วอย่ามัววุ่นวายอยู่กับสิ่งเหล่านี้ เป็นเรื่องที่น่าตำหนิติเตียนอย่างมากเป็นพระใช้เงินทองเหมือนโยมผู้บริโภคกรรมคุณจึงมีโทษมากมายอันมีความเศร้าหมองแห่งพรมจันทร์เป็นต้นถ้ายินดีสิ่งของที่ได้มาจากเงินทองโดยการผ่านวัยายวัชกรตามวิธีที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำไว้อย่างนี้ไม่มีโทษไม่ต้องอาบัต ถ้าโยมมีศรัทธาต้องการจะนาเงินมาทำบุญกับพระคุณทาตามวิธีที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตไว้นั้นคือเอาไปมอบไว้กับวั ย, ยาวัจกรของวัดให้ว ย, ยาวัจกรจัดการหาสิ่งของที่เหมาะสมตามที่พระต้องการหรือถ้าโยมต้องการถวายเครื่องอุปโภคบริโภคมีจีวรสบู่ ยาสีฟันแปรงสีฟันและผงซักฟอกเป็นต้นก็ไปซื้อมาถวายท่านกับมือเลยก็ยิ่งดีถ้าโยมไม่รู้ว่าจะซื้ออะไรจะถามท่านก็ได้ว่าวันนี้ขาดแคลนอะไรไหมครับถ้าท่านบอกว่าขาดบาทจีวกรกดใบมีดโกนน้ำยาล้างจานผงซักฟอกเป็นต้น โยมก็ซื้อสิ่งของเหล่านั้นมาถวายท่านเลยท่านจะใช้ทันทีเพราะกําลังขาดแคลนอยู่พอดีวัตถุทานของโยมจะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับอย่างมากโยมฉลาดรู้จักทำบุญอย่างนี้ย่อมจะได้บุญกุศลมากถ้าวัดไหนๆมีการถวายแต่ถังเหลืองถังเหลืองนั้นก็คงเยอะแยะไปหมดเพราะท่านไม่รู้ว่า จะใช้อย่างไรจึงจะหมดได้แต่เอาออกมาตั้งเรียงไว้ตามสารากุติดูแล้วเหลืองอาลามไปทั้งวัดฉะนั้นการทำบุญอย่างฉลาดตามที่พระพุทธเจ้าทรงแนะนำไว้ด้วยการทำเพียงเท่านี้โยมทำให้พระท่านพ้นจากอาบัติแล้วโยมก็ได้ชื่อว่าเป็นคนหนึ่งที่ช่วยพระรักษาพระวินัย พระพุทธศาสนานั้นจะเจริญขึ้นหรือว่าจะเสื่อมลงก็ขึ้นอยู่กับพุทธบริษัททั้งสี่ไม่ใช่เพราะเหตุอื่นเลยถ้าบริษัททั้งสคือทั้งฝ่ายพระและฝ่ายโยมยังขนขวายช่วยกันรักษาพระธรรมวินัยไว้อยู่แน่นอนพระพุทธศาสนาก็ยังจะดำรงคงอยู่คู่โลกไปอีก ตราบนานเท่านาน